เราตรวจมงคลตัวตรวจบมงคลตัวก็คือการที่เรามีความรู้สึกตัวกับการใช้กายใจว่าใาใจจิตใจทำดีแล้วก็ไม่ทุก เป็นประโยชน์ตนตนไม่ทุกเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นผู้อื่นก็ไม่ทุกนะก็คือการไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อท่านก็เป็นความดีความงามความเจริญเป็นความวัฒนะเป็นมงกุล ส่งกันข้ามกับอัิมงคลก็ลคือความเสื่อมความรู้สึกตัวความที่สติมันจเจริญมันจะมีความคมชัดละเอียดประณีตมีความคมเกลินแล้ ว, วมีการแก้ไข สถานการณ์ต่างๆไม่เกิดความจันไโบราณทันว่าแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวความรู้สึกตัวจึงทาให้เกิดการแก้ไขเกิทุกขเพราะความคิดเนี่ยก็แก้ไข ใหมารู้สึกตัวออกจากความคิดคิดกี่เรื่องก็ตามออกจากความคิดทันทีทันใดทันควนนกกันทันอกทันใจมีทุกข์ก็มีทุกข์ได้ทันทีเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูกมันก็เป็นมงคล เป็นการทำพระนิพพานให้แจ้งความเป็นปกติอยู่เหนือสุขเหนือทุกเวลาสุขเวลาทุกกลับมารู้สึกตัวกเป็นปกติอยู่กับสุขไม่ต้องติดสุขหลงเรินงอยู่กับความสุขเสพสุขอยู่กับทุ ก, ก็ไม่ต้ององมทุกจมทุก อารมณ์ค้างข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีมันมีคำตอบการปฏิบัติธรรมทำให้เรารู้จักตัวเองเห็นตัวเองบอกตัวเองใช้ตัวเองมีกายก็ใช้กายมีวาจาก็ใช้วาจา มีจิตมีใจก็ใช้จิตใจใจมีความคิดคิดเป็นสุขรู้จักความสุขที่เกิดจากการคิดคิดแล้วมีความทุกข์รู้จักความทุกข์ที่เกิดจากความคิดแต่ถ้าคิดเป็นปัญญามก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนั้นเกิดจากสติสติรู้จักความคิดรู้ทันความคิดเห็นความคิด ก็หยิบามาใช้คิดพูดคิดทรรมเกิดมงคลทีเดียวต่อสรรพสัต ส, สสิ่งต่อบุคคลรอบตัวต่อวัตถุริ่งของหนึ่งสองสามสี่เพราะนั้นความรู้สึกตัวนี่เป็นของ ที่ให้คุณแบบครอบจักรวาลหนึ่งเดียวแต่ว่ามันเป็นไปได้นะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการสงกลอเป็นการเอื้อเฟื้อมันไม่ใช่การโดนบันดาลโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ปฏิหารแต่มันเป็นกฎของธรรมชาติ กรรมฐานทำให้เกิดธรรมชาติธรรมะที่ทําให้เห็นธรรมชาติก็คือสติปัญญาสมาธิความรู้สึกตัวทำให้เกิดสติปัญญาสมาธิมันยิ่งกว่านักปราช นักปราชญ์หรือผู้รู้นี่เกิดจากการเรียนรู้ทางตาทางหูตาดูหูฟังจากการไข้กลวนใช้ความคิดพิจารณาตั้งใจมั่นทำอะไรทำจริงมีการเขียนมีการจดมีการจำเรียกว่า สูจิปุลิอย่างเงี้ยหัวใจนักปาดแต่ความรู้สึกตัวสัมผัสรู้นี่ยิ่งกว่านั้นจนก็ใช้คำว่าโล ก, กวิทูรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นลักณนะของอุบัติการอุบัติขึ้นมาความรู้สึกตัวความรู้สึกตัว ทุกขณะวิญญาณธาตุสติเป็นธาตุรู้รู้สึกตัวรู้สึกตัวมันอุบัติขึ้นมาทันทีทุกครั้งที่สัมผัสเป็นความรู้สึกตัวที่มันเป็นรู้เรารู้ไม่ยึดมันเป็นการรู้ผ่านโดยไม่ต้องสรุป ภาวะของผู้ดูสติคือตาในมีหน้าที่ดูดูแลไม่เข้าไปแจกแซงต่างๆในอาการต่างๆก็หมายถึงว่าเห็นสภาวะทำอะไรก็ตามเกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจมันรู้เฉยๆ <S <S เป็นภาวะของการดู แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคุยกับตัวเองและตอบตัวเองเป็นอาการของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นภระไตรลักษณ์มันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเองแล้วหายไปตามเหตุต่อปัจจัยของแต่ละอาการต่างๆอารมณ์ต่างๆบางทีไม่ต้องมีบัญญัติลงไป บัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบบัญญัติว่าดีว่าไม่ดีเราเห็นเหตุปัจจัยที่ความรู้สึกตัวแต่ละขณะมันเกิดขึ้นมาในการเคลื่อนไหวของกายก็ดีหรือว่าจิตมันเคลื่อนไหวก็ดีหรือว่าสติมันรู้อยู่ อยู่เหนือการเคลื่อนไหวของกายของใจเป็นความว่างเป็นการปล่อยวางก็ดีมันเป็นความรู้สึกตัวนะที่พาไปสู่สภาวะที่ไม่ต้องทำอะไรเลยมันเหมือนมีการกระทำแต่ว่ามันเหมือนกับว่าไม่มีการกระทาอะไรเลย มัสร้างความหมายความไร้ตัวตนขึ้นมาเคลื่อนโดยไม่มีผู้เคลื่อนคำตอบมันเกิดขึ้นจากการเคลื่อนของกายทันทีว่าคือก้อนของธรรมชาติก้อนของธรรมะที่มีการเกิดดับมันไม่ใช่ทุกเป็นเพียงแค่อาการแล้วมันก็ไม่ใช่ทุกมันไม่มีสมมุติบัญญัติมันไม่มีเพราะมันเห็นสมมุติบัญญัติเห็นสมมตุติเห็นบัญญัติ บัญญัติเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมันไม่ใช่ความคิดมันเป็นปัญ ญ, ญ, ญาภาวนาทุกครั้งที่รู้ขณะนั้นเหตุการเกิดดับมันไม่ใช่ความคิดมันจึงไม่มีอะไรที่ต้องยึดตรงนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีเรามันไม่มีเรามันก็เป็นก็มันอยู่เช่นนั้นเอง มันมีแต่สภาวะธรรมความกโกรธสมัยพุทธเจ้ามันก็มีขึ้นมาจนเจ้าเรียกว่าโกรธะคึงเครียดปลูกโกรธเป็นโมหะความหลงเป็นโลภะเป็นความโลภ ยุคเราก็ยังมีอยู่มีความโลภความโกรธความหลงเหมือนเดิมสองพัน ป, ปีก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแก้ไขไม่ได้แก้ไขเรามีหน้าที่เพียงแก้รู้รู้แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้แต่เมื่อสติมันแกล้ขึ้นความเป็นปกติมันมีมากขึ้น มันก็มีสตินะก่อนที่จะหลงมีความรู้สึกตัวมีฐานสติอยูนะ่พอมันมีความหลงเกิดขึ้นมันก็ละแดนกันความโกรธอยู่ในแดนของโลกิ ย, ยาาเงี้ยตัวปกติมันอยู่ในแดนของโล ก, กุตะละมันก็ละแดนกันเพราะฉะนั้นดูเฉยๆเดี๋ยวเขาตอบตัวของเขาเองด้วยตัวของเขาเองว่าเขาคือใครอย่างเงี้ย มันจึงเป็นเรื่องของอารมณ์ที่นะเกิดขึ้นให้เราได้รู้ให้เราได้เห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นคือเห็นอยู่อยู่จุดหนึ่งเป็นชัยภูมเห็นอยู่เหมือนดูขึื่นในทะเลลูกใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเรายืนดูอยู่ชายฝั่ง จะลูกเล็กลูกน้อยก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราดูอยู่ใช้ฟังไม่เปียกปอนไม่ล้มลูกคุกคาญคือไม่ซับดำพุดดำโปรความโลภความกดความหลงความรักความชังอิจฉาริสยาก็เหมือนกันเป็นเพียงแค่อาการมันจึงเป็นคุณมันไม่ใช่เป็นโทษ ดีบออมาใช้เป็นประโยชน์ทีเดียวกการคิดการพูดการทำการแก้ไขปัญหาต่างๆมันก็จะเกิดมงคลขึ้นมาเกิดความที่มันไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบี่เียนผู้อื่นขึ้นมาเราเหน็อนอาการเหล่านีนะ้เป็นความเป็นเองตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของธรรมะธรรมชาติมันไม่ใช่เรา แต่เรารู้อยู่ตรงนี้แหละมันเป็นลั ก, ลกษณะของคาว่าวิมุตตนะ์ก็คือไม่มดลงไปในอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากความคิดการปรุงการแต่งเพราะวันมีความรู้สึกตัวมันมีความรู้สึกตัวที่เด่นทุกครั้งเป็นปัจจุบันขณะบางทีกายก็มีอาการหยาบหยาปรากฏบางทีจิตใจก็มีอาการหยาบหยาปรากฏ บางทีเครื่องมือเครื่องไม้นะก็คือสติศีลสมาธิปัญญานะมันเป็นเครื่องมือมันเป็นอุปกรณ์นะที่มีไว้ใชนะ้ก็ก็มีอาการเกิดดับเหมือนกันแต่ว่าสภาวะของการแยกนะการสัมผัสรู้รูปนามนะการแยกสติกับตัวนึงกายกัตัวนึ่งนะรูปธรรม จิตก็ตัวนึงนำมาทำความคิดเกิดขึ้นในจิตมันเห็นล่องเห็นลอยชัดจนมันเป็นองค์ประกอบเป็นตัวของชีวิตชีวา่าที่สามารถรู้โดยไม่ต้องกำหนดแต่ใหม่ๆปฏิบัติต้องกำหนดรู้แต่ว่ารู้โดยไม่ต้องสรุปรู้แบบแก้งโง่การที่รู้แบบแก้งโง่ทีเราไม่ต้องมีสมมติไม่ต้องติดอยู่ในวิตกวิจาร วิโตกวิจารก็คือการคิดแต่ว่าเป็นธรรมะปฏิบัติธรรมบางทีเราคิดแบบเป็นธรรมะอยู่ตลอดเวล า, วลามันเกิดปัญญาฐานที่เรียกว่าจินตามัญญามัญญาอันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าทำไม่ถูกแต่มันหมายถึงว่าการอ น, นุธรรมมันเกิดความคิดขึ้นมาล้วก็ออกจากความคิดมาเป็นผู้ดูความคิด วิธีออกมาเบื้องต้นก็คือสัมผัสรู้ที่ฐานกายนี่แหละจนกระทั่งจิตของเราบันคืนสู่สภาวะปกติทุกๆขณะมากที่เท่าที่จะมากได้มันเกิดความจานานขึ้นมามันรู้ที่อยู่ของจิตและมันมีมาตรฐานของจิตที่ชัดเจนมันก็คงเส้นคงวาไม่คุ้มดีคุ้มไรวันนี้ปฏิบัติดีเมื่อวานปฏิบัติไม่ดีมันจะไม่พูด เมื่อวานปฏิบัติดีวันนี้ปฏิบัติดีมันจะไม่พูดเมื่อเช้าปฏิบัติได้อารมณ์ดีตอนบ่ายปฏิบัติได้อารมณ์ไม่ดีเลยก็อยากได้เหมือนเมื่อเช้า <_ t od as> เหมือนเมื่อวานหรือว่าที่ผ่านมาเคยเกิดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาจิตก็จะไปควานหาเอาไว้พูดเอาให้คุยอันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อคําเขียนนั่นเคยมีประสบการณ์แล้วก็เล่าให้เราฟังว่าครั้งหนึ่งนะ่ะปฏิบัติจนกระทั่งมันมีความสุข เกิดนมาหน้าตามันลินลินลินลินลินลินมันเหมือนกับมีความเย็นมีน้ามีกระแสของความสุขมันซาบซานท่านก็้ปฏิบัติธรรมมาตั้งนานแล้วมันเกิดขึ้นมานี่แหละคือความสุขอยากได้ความสุขหลวงปู่เทียนก็เลยบอกว่าโอ้ กบโคกกบโคกไม่เคยเห็นน้ำแค่น้ำในกระลาแล้วกระโดดลงไปร้องสดังเียวมันมีน้ำอีกทางมหาสมุทรในคลองในคูมันมากกว่าในกระลาอย่าเอาหลวงพ่อเขียนต้นกระเถียงว่าโอ้ไม่เอาได้ยังไงปฏิบัติธรรมมาโอเนี่ยมันเจอความสุขมันสุขมากกว่าตอนเป็นโยม มันมีความสุขตอนที่อยู่บ้านทํางานทําการสุขที่ได้เงินได้ทองมันยังไม่เท่ากับเวลาปฏิบัติแล้วเกิดความสุขขึ้นมาหลประเตียนใจว่ากบโคกกบในกะลาบางทีก็ควานหาสภาวะเก่าๆเคยมีความสุขความภาคภูมิใจในอดีตมีนิสัยมีอุนนิสัยอะไรมา ก็เกิดขึ้นมามนก็ไม่ได้ตั้งใจท่านก็เรียกว่าลักษณะของพีบ้าจกกบคำพูดเป็นสภาวะธรรมพีบ้าจกกบเอา ก, กบไปกินเรียบร้อยแล้วคนบ้าคนนึ่งมันหากบเสร็จล้วมนันมือไปล้วงรูมันก็เจอตัวกบจริงๆก็ไปกินเรียบร้อยแล้ววันลุกขึ้นก็ติดใจ ก็เดินหากบก็ไปร่วงรูเดิมอีกอันนั้นมันคือไม่มีแล้วเพราะนั้นนักปฏิบัตนะิหรือพวกเราทุกคนทุกท่านนะ่ะละก็อาจจะมีประสบการณ์อย่างนี้มาก็คือนึกถึงระ ล, ลึกถึงนะอารมณ์เก่าๆหรือว่าความรู้สึกเก่าๆที่พอใจที่ไม่พอใจต่างๆแต่พอเรามีสติมีความรู้สึกตัวนะ mm hmm. เคยสัมผัสกับความเป็นปกติของจิตน มันก็จะมีมาตรฐานเข้ามาอยู่มันก็กลับมาได้ไวเงี้ยก็เรียกว่าทันทีทันใดเลยที่รู้ว่าเผลอหลงไปมันก็เกิดนะความว่องไวขึ้นมาเป็นไหวพิปฏิพานเป็นนิสัยใหม่นะนิสัยที่ทําอะไรชัดเจนแม่นยำว่องไวนีตัวนี้มันก็เดินทางรัศนะมีพัฒนาการที่เราเห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงนะหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาโหลาน เคยเหมือนกับคนแบกโลกนะเห็นอะไรก็ทุกไปหมดนะส่งจิตออกนอกนบัดนี้มันไม่มันรู้เท่ารู้ทันนะจนกระทั่งมันเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตอบด้วยตัวของมันเองว่าคืออะไรมันก็อยู่เหนือเหตุเหนือผลเหนือความชอบความไม่ชอบเหนือการเปรียบแท้เทียมเหนือบุญเหนือบาปมันเหนือไปเลยเหนือกุศลเหนืออกุศลมันก็เห็นเป็นอาการต่างๆเกิดดับเกิดดับที่ยิบทั้งวัน ก็หยิบมาใช้ได้เกิดประโยชน์อย่างเช่นโทสะทะเละาคาสติคำว่าโทสะเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของความทุกข์ความรุ่มร้อนหรือเรียกว่านรกก็ได้นรกเป็นสัตว์นรกมีแต่ความรุ่ร้อนก้าวแล้วรุนแรงในการคิดการพูดการทำ อันนี้นะมันก็เป็นพบภูมิต่ำที น, นี้สังคมอยู่ร่วมกันนะเวลามีกฎมีกติกามีวินยนะัยปรากฏแล้วก็มีสตินะที่ทำให้ชุมชนเกิดความเรียบร้อยนะก็มีการลงโทษโทษอันนี้กลับมาเป็นคุณอีกทีเมื่ออยู่ในสังคมนะโทรศสตร์ตัวนี้ถูกหยิบมาแล้วก็นะใช้อย่างระมัดระวังนะ ก็กลายเป็นการปรับเปลี่ยนดอชนิสัยให้สํานึกอย่างเงี้ยก็มีการลงโทษระวังโทษเอาไว้เป็นตัวบทกฎหมายต่างๆอันนี้เป็นลักณของอัตถะบัญญัติเป็นความบุกซึ่งแต่ว่ามันมีลักษณะหนึ่งก็คืออริยบัญญัติก็คือลักณของอาการต่างๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นเหตุปัจจัย แต่ว่ามันมีเนื้อเหตุนะปัจจัยที่จะทำอะไรเราไม่ได้มันมีอยู่นะก็คือความเป็นอิสระของจิตเป็นจิตเดิมแท้นะที่มันประพัดสอนผองใสนะตรงนีนะ้มันมีก็มันอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วนะมันเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์จริงๆน ะ, ะก็เห็นว่าสมควรแก่เวลากราบพระพร้อมกัน